ตามรู้มโนทวารในขณะที่วิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติอาจรู้สึกว่าการตามรู้ไม่ต่อเนื่องเช่นเมื่อกาหนดว่าคู่หนอคู่หนอบางขณะอาจมีช่วงว่างในระหว่างทำให้สำคัญว่าอารมณ์ที่รับรู้ไม่ต่อเนื่องหรือจิตรับรู้ไม่ต่อเนื่อง ความจริงแล้วเป็นลักษณะของผวังขจิตที่ขั้นระวางอยู่การรับรู้ขาดช่วงนี้เป็นการรับรู้ผวังขจิตในบางขณะนักปฏิบัติอาจรับรู้มโนทวาราวัชณะจิตได้ดังมีสภาวะต่อไปนี้การรับรู้อารมณ์เบื้องแรกเป็นลักษณะพิเศษของมโนทวาราวัชนะจิตการเริ่มใส่ใจ เป็นหน้าที่การแสดงความใส่ใจเป็นอาการปรากฏความดับไปแห่งพวังขจิตเป็นเหตุใกล้นอกจากนี้บางขณะนักปฏิบัติอาจรับรู้หัทถายวัตถุโดยมีสภาวะดังนี้การเป็นที่ตั้งของความใคร่ครวและความนึกคิดเป็นลักษณะพิเศษของหัทถายวัตถุการประครับประคองการใคร่ครวญ และความนึกคิดเป็นอาการปรากฏความเข้าใจในรูปเป็นที่อาศัยจึงเกิดหัยวัตถุเป็นเหตุใกล้การตามรู้ธรรมารมการตามรู้จักขุประศาสูตะประสาส า, านาประศาสิวหาประศาสและกายประศาสพร้อมด้วยอาโปธาตเป็นหัยวัตถุได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว ส่วนสุขุมรูป16มีความพิสดารดังต่อไปนี้ภาวะรูปมักปรากฏเมื่อแสดงการยิ้มหรือคิดนึกด้วยความรู้สึกว่าตนเป็นชายหรือหญิงโดยมีสภาวะดังนี้ความเป็นหญิงมีลักษณะพิเศษของอิทธิภาวะรูปการแสดงว่าเป็นหญิงเป็นหน้าที่การมีสันฐานท่าทาง และความดำริเยี่ยงหยิงทั่วไปเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปเป็นที่อาศัยจึงเกิดหทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้ความเป็นชายเป็นลักษณะพิเศษของปุริสภาวะรูปการแสดงว่าเป็นชายเป็นหน้าที่การมีสันฐานท่าทางและความดำริเยี่ยงชายทั่วไปเป็นอาการปรากฏ ความเข้าใจว่ามีรูปเป็นที่อาศัยจึงเกิดหัตยวัตถุเป็นเหตุใกล้ชีวิตรูปเป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่ของจักรคุปสาทเป็นต้นที่ตามรู้สภาวะเห็นในปัจจุบันขณะชีวิตรูปนี้เกิดร่วมกับภาษาทารูปในร่างกายส่วนต่างๆที่มีภาษาทารูปตามสมควร ทำหน้าที่รักษาให้จักขุปราศาสต์เป็นต้นที่ดับไปแล้วได้เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอตราบจนกระทั่งเสียชีวิตโดยมีสภาวะดังนี้การตามรักษาจักขุปราศาทต์เป็นต้นเป็นลักษณะพิเศษของชีวิตตรูปการทำจักขุปราศาทต์เป็นต้นดำเนินไปได้เป็นหน้าที่ การทรงไว้ซึ่งจักขุูประสาทเป็นต้นเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปเป็นที่อาศัยซึ่งดำเนินไปได้จึงเกิดชีวิตรูปเป็นเหตุใกล้อาหารรูปย่อมปรากฏแก่ผู้กำหนดรู้ความมีกำลังวังชาและความสดชื่นแห่งจิตหลังจากรับประทานอาหารแล้วโดยมีสภาวะดังนี้ การเป็นสารอาหารเป็นลักษณะพิเศษของอาหารรูปการทำให้เกิดกำลังเป็นหน้าที่การอุปถัมภ์ร่างกายไว้ไม่ให้อ่อนเพลียเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีอาหารที่ควรบริโภคจึงเกิดอาหารรูปเป็นเหตุใกล้จิตและเจตสิกที่เป็นธรรมรมีสภาวะต่างกัน โดยได้กล่าวไปบ้างในบางส่วนก็จะนำมากล่าวถึงในบทต่อไปจึงขอยกไว้ในเรื่องนี้การตามรู้มโนวิญญาณการตามรู้มโนวิญญาณมีสภาวะดังนี้คือการรับรู้อารมณ์ด้วยการนึกคิดเป็นลักษณะพิเศษของมโนวิญญาณการรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆเป็นหน้าที่การมุ่งไปสู่อารมณ์ เป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปที่อาศัยจึงเกิดมโนวิญญาณเป็นเหตุใกล้การตามรู้ผัสสะทางมโนทวานผัสสะทางมโนทวานมีสภาวะดังนี้การกระทบกัน ร, ระหว่างจิตกับอารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของมโนสัมผัสสะการประสานอารมณ์เป็นหน้าที่ การประชุมกันของหัตถายวัตุการนึกคิดและอารมณ์เป็นอาการปรากฏอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นเหตุใกล้การตามรู้เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารแบ่งออกเป็นสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารมีสภาวะดังนี้ การเสวยอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมนโนทวารการทำให้รู้สึกพอใจเป็นหน้าที่ความพอใจที่เกิดจากจิตเป็นอาการปรากฏความสงบใจเป็นเหตุใกล้ทุกเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมนโนทวารมีสภาวะดังนี้คือ การเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารการทำให้รู้สึกไม่พอใจเป็นหน้าที่ความไม่พอใจที่เกิดทางจิตเป็นอาการปรากฏหาทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารมีสภาวะดังนี้คือ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 การตามรู้สัญญาขันสัญญาคือความจําได้หมายรู้อารมณ์ที่ประสบทางทวารทั้งหสัญญานี้มักปรากฏชัดในขณะกระทบอารมณ์ใหม่หรือได้ฟังคําชี้แนะที่ตนพอใจดังมีสภาวะเหล่านี้คือการหมายรู้อารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของสัญญาการทําหน้าที่เป็นเหตุให้จําได้ เป็นหน้าที่การยึดอารมณ์ที่ประสบเป็นอาการปรากฏอารมณ์ที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้การตามรู้สังขารขันเจตสิกห0ดวงยกเว้นเวทนาและสัญญาชื่อว่าสังขารขันหมายถึงกองเจตสิกที่ประกอบร่วมกับจิตในขณะเห็นได้ยินเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่เป็นต้น โดยเหตุที่เจตนาเจตสิกเป็นประธานในเจตสิกเหล่านี้ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงการตามรู้เจตนาในที่นี้เจตนาคือความตั้งใจที่มีสภาวะชักชวนจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกับตนไว้ในอารมณ์เหมือนหัวหน้างานที่ทํางานเองแล้วชวนผู้อื่นให้ทํางานร่วมด้วยโดยมีสภาวะดังนี้ การชักชวนให้จิตและเจตสิกสืบต่ออารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของเจตนาการขวนขวายให้เป็นไปเช่นนั้นเป็นหน้าที่การจัดการให้เป็นเช่นที่ตั้งใจเหมือนการสั่งว่าจงตายในการฆ่าสัตว์หรือจงเหมือนจงเอาจงเป็นสุขในการให้ทานเป็นอาการปรากฏ การใส่ใจโดยแยบคายหรือไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้สรุปความว่าในขณะกำหนดว่าเห็นหนองทำห้าอย่างเป็นจักขุปราศาสตร์รูปอารมณ์คือสีจักขุวิญญาณผัสสะทางตาหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาย่อมปรากฏในขณะนั้นๆแม้ในการกำหนดว่า ได้ยินหนอเป็นต้นที่มีในเดียวกันนักปฏิบัติที่ตามรู้อย่างนี้ย่อมรับรู้ลักษณะหน้าที่ปัจจุปัฐานและปัจจุทฐานตามสมควรแก่อัธยาศัยของแต่ละบุคคลดังข้อความในอภินยยสูตรและปริญยยสูตรว่าดูการะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงรู้จักขุประสาท เฉพาะหน้าพึงรู้รูปารมาาราญญาณ์เฉพาะหน้าพึงรู้จักจักขวิญญาณเฉพาะหน้าพึงรู้การกระทบกันของจักขประสาทเฉพาะหน้าและพึงรู้เฉพาะหน้าถึงความรู้สึกที่เป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเกิดจากเหตุคือกระทบกับจักขประสาทดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงกาหนดรู้จักขประสาท พึงกำหนดรู้รูปารมณ์พึงกำหนดรู้จักขูวิญญาณพึงกำหนดรู้การกระทบของจักขุประสาสและพึงกำหนดรู้ความรู้สึกที่เป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเกิดจากเหตุคือกระทบกับจักขุประสาส วิปั ส, สนาไม่ใช่ความเข้าใจด้วยการสดับหรือการพิจารณาการเจริญวิปั ส, สนาเป็นการตามรู้สภาวะธรรมคือรูปนามตามความเป็นจริงเพื่อให้รับรู้สภาวะลักษณะเป็นต้นไม่ใช่ความเข้าใจด้วยการสดับซึ่งเรียกว่าสุตมยปัญญาหรือความเข้าใจด้วยการพิจารณาซึ่งเรียกว่าจินตมะยะปัญญา จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสคำว่าอภินญยยะที่ใช้ในความหมายว่าพึงรู้เฉพาะหน้าหรือพึงรู้ด้วยปัญญาพิเศษโดยอภิอุปสัคใช้ในความหมายว่าเฉพาะหน้าหรือพิเศษดังมีสาทกว่าปัญญาที่รู้เฉพาะหน้ารูปนามที่ควรรู้เพราะกาหนดลักษณะ ของสภาวธรรมชื่อว่าอภินยาปัญญาอีกอย่างหนึง่งทรรมที่รู้ด้วยปัญญาอันพิเศษกว่าปัญญาที่เกิดจากการสดับอีกอย่างหนึง่งทมที่รู้ได้ด้วยปัญญาอันพิเศษกว่าปัญญาที่เกิดจากการสดับปัญญาที่เกิดจากการดำริและปัญญาที่เกิดจากภาวนาบางอย่างชื่อว่า ทมที่รู้ด้วยปัญญาพิเศษการตามรู้จากขุประสาทและรูปารมณ์เป็นต้นในพระสูตรข้างต้นนั้นเป็นพระเทศนาที่ตรัสไว้ในลำดับเท่านั้นมิใช่หมายความว่าให้ตามรู้ทั้งห้าอย่างตามลำดับเพราะจิตเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งกำหนดรู้ตามลำดับไม่ได้และการกำหนดทั้งห้าอย่างก็ไม่สอดคล้อง กับข้อความในคำพีปฏิสัมพิธามัคซึ่งกล่าวถึงการเกิดผวังคยานด้วยยังเห็นความดับของอารมณ์แล้วรับรู้ความดับของจิตที่ยังเห็นอารมณ์นั้นดังนั้นจึงควรตามรู้สภาวะที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งใน5้าอย่างเหล่านั้นตามสมควรเมื่อตามรู้สภาวะอย่างหนึ่งแล้ว แม้สภาวะอย่างอื่นก็นับเข้าในสภาวะนั้นโดยปริยายเพราะเป็นไตร ล, ลักษ์เหมือนกันอันหนึ่งในพาหิยะสูตรมีพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกราพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกาย จะเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางจมูก ล, ลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจะเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางใจดูการะพาหิยะเธอเพึงศึกษาอย่างนี้พระดํารัสว่าการปฏิบัติด้วยการบําเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาให้บริบูรณ์ไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนประยัด ดังสาทกในคำภีอัตกรถาว่าพระดำรัสว่าสิกิตตพังคือพึงกระทำการศึกษาโดยเนื่องด้วยสิกขาทั้งสามมีอธิศีลสิกขาเป็นต้นดูก ร, ราพาิยะเธอพึงศึกษาด้วยการประพฤตไตรสิกขาด้วยปฏิปทานี้อย่างนี้การตามรู้ในขณะเห็นเป็นต้น นักปฏิบัติผู้กำหนดว่าเห็นหนอในขณะเห็นเมื่อวิปัสสนาญาณที่ยังเห็นรูปนามและกำหนดรู้ปัจจัยซึ่งเรียกว่ายาตะประิญญาคือการยังเห็นด้วยการกำหนดเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นรับรู้ว่าสภาวธรรมหาอย่างเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นก็รับรู้ความเกิดดับ อย่างรวดเร็วของสภาวะธรรมทำให้เข้าใจไตร ล, ลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความเข้าใจในไตร ล, ลักษณ์นั้นมีประโยชน์เพื่อคลายความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนจะเห็นได้ว่ากิเลส ท, ที่รักหรือชงังที่เกิดขึ้นในขณะเห็นย่อมเกิดจากสิ่งที่เคยพบมาก่อนทั้งนั้นเช่นความรัก หรือความชังของคนทั่วไปมักเกิดจากการพบกับคนที่รักหรือชังหรือเกิดจากการได้ยินคนอื่นพูดถึงจึงจะเกิดรู้สึกรักหรือชังขึ้นได้ถ้าไม่พบหรือได้ยินก็จะไม่รู้ว่ามีบุคคลนั้นอยู่ในโลกซึ่งย่อมปราศจากความรักหรือชังอย่างแน่นอนในกรณีเดียวกัน ถ้าคนทั่วไปพบเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบก็จะไม่เกิดกิเลสนั้นๆเพราะไม่เคยปรากฏในกระแสจิตของตนพึงทราบข้อความนี้ตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสแกพระมหาลูกกะยบุตรว่าดูกระมาลูกกะยบุตรเธอสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปที่พึงเห็นด้วยจักสุเหล่าใดเธอไม่เห็นแล้ว ทั้งไม่เคยเห็นแล้วย่อมไม่เห็นในบัตรนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะเห็นก็มิได้มีแกเธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในรูปเหล่านั้นหรือพระมาลุกยบุตรทูลตอบว่าโนเฮตตังพันเตไม่มีเลยพระเจ้าค่าพระดำรัสนี้มุ่งแสดงว่า นักปฏิบัติพึงเจริญวิปัสนาอย่างรู้เห็นรูปารมณ์ที่เคยเห็นมาก่อนแล้วละกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเหมือนกับกิเลส ท, ที่ไม่เกิดขึ้นในรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงแล้วในขณะเห็นนั้นกิเลสย่อมพอใจหรือไม่พอใจในรูปที่เห็นและรวมไปถึงทั้งอวัยวะน้อยใหญ่อีกด้วย ซึ่งกิเลสดังกล่าวย่อมพาไปสู่ความยึดติดอุปทานอันเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ต่อไปนอกจากนี้มีข้อความที่ตรัสแสดงถึงศรัท ธ, ธารมณ์เป็นต้นต่อไปในมลุกยะปุตสูตรนั้นว่าเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังแล้วทั้งไม่เคยได้ฟังแล้วย่อมไม่ได้ฟังในบัดนี้ด้วยและความดำริว่า เราจะได้ฟังก็ไม่ได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าข่ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมแล้วทั้งไม่เคยได้ดมแล้วย่อมไม่ได้ดมในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะได้ดมก็มิได้มีแกเธอด้วย เธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ารสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเหล่าใดเธอได้ลิ้มแล้วทั้งไม่เคยได้ลิ้มแล้วย่อมไม่ได้ลิ้มในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราได้ลิ้มก็มิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัด หรือความรักในรถเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าโพธัพาที่พึงรู้แจ้งด้วยกายเหล่าใดเธอไม่ได้ถูกต้องแล้วทั้งไม่เคยได้ถูกต้องแล้วย่อมไม่ได้ถูกต้องในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะถูกต้องก็ไม่ได้มีแก่เธอเธอมีความพอใจมีความกาหนัด หรือมีความรักในโพธิภะเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าข่าธรรมรมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจเหล่าใดเธอไม่ได้รู้แล้วทั้งไม่ได้เคยรู้แล้วย่อมไม่รู้ในบัดนี้ด้วยและความดําริว่าเราจะรู้ก็ไม่ได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกําหนัดหรือมีความรักในธรรมรมเหล่านั้นหรือ ไม่มีเลยพระเจ้าค่าหลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสการเจริญวิปัสนาโดยสังเกตว่าดูกะละมาลุงกยาบุตรก็ในสภาวะธรรมเหล่านั้นคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้และธรรมที่จะพึงรับรู้เมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกาย จกเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางโหมลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจกเป็นเพียงแต่ผู้รู้อารมณ์ทางใจดุกะละมลุงกยาบุตรในสภาวะธรรมคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้และธรรมที่พึงรับรู้เมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยิน เมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกกลิ่นกายจะเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางจมูกกลิ่นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจะเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางใจในการใดในการนั้นเธอจะไม่เกิดกิเลสอันเนื่องด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นเธอจะไม่เกิดกิเลสอันเนื่องด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นในการใด เธอจกไม่พัวพันในสภาวธรรมเหล่านั้นในการนั้นดูกะระมาลุงกะยะบุตรเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในโลกทั้งสองนี้และเป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้อความข้างต้นหมายความว่า ในขณะเห็นรูปพึงรับรู้เพียงสภาวะเห็นเท่านั้นอย่าพิจารณาในสิ่งที่เห็นจนกระทั่งให้กิเลสเป็นอันที่รักหรือชังเกิดเมื่อตามรู้สภาวะเห็นอย่างเดียวรูปที่พบเห็นจะปรากฏเป็นเพียงสีโดยไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานและปรากฏสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนด้วยการยังเห็นความเกิดขึ้น และดับไปรูปที่เห็นนั้นเป็นเหมือนกับรูปที่ไม่ได้เห็นย่อมไม่พัวพันให้เกิดกิเลสต่อไปว่าได้เห็นคนโน้นคนนี้และเขาเป็นคนน่ารักหรือน่าชังการไม่เกิดกิเลสในลักษณะนี้ชื่อว่าละกิเลสได้โดยตัดทางคับปะหานะคือละชั่วขณะด้วยการกำหนดรู้ และไม่มีอารมณนานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ที่เห็นบุคคลดังกล่าวตรัสไว้ในขันทวักสังยุตว่าตัดทางฆานิพุตังผู้ละกิเลสได้ชั่วขณะด้วยการกำหนดรู้เขาย่อมไม่ยินดีผูกพันหรือไม่พอใจรูปที่พบเห็นทั้งปราศจากความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้ ปัญญาที่เกิดแก่เขาสามารถล่สัญญาว่าเที่ยงเป็นต้นได้ชื่อว่ามหานปริญญาคือการยังเห็นด้วยการละอนิจสัญญาเป็นต้นต่อมาเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นจะรู้ชัดถึงความเกิดดับของสภาวะเห็นหรือรูปที่เห็นได้ต่อจากนั้นก็จะรู้ชัดในความดับของสภาวะเห็น และรูปที่เห็นรวมทั้งสังขารทั้งหมดปัญญานี้เป็นมหานปริญญาในระดับมรรคต่อมาผลจิตย่อมเกิดขึ้นต่อจากมรรคจิตโดยรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนมรรคจิตครั้นบรรลุผลชั้นสูงคืออรหัตมรรคและอรหัตผลกิเลสทั้งปวงย่อมหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง แม้ในการได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือวันนึกคิดเรื่องราวก็พึงตามรู้เพียงสภาวะได้ยินเป็นต้นในขณะนั้นๆตามสมควรแก่การเจริญวิปัสนาตามในนี้ก็จะช่วยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดร่วมกับวิปัสนาให้แก่กล้า จ, จนกระทั่งบรรลุศีลสมาธิและปัญญาระดับมรรคผลต่อไป พระพุทธดำรัสนี้ตรัสแสดงหลักฐานการเจริญวิปัสนาไว้โดยตรงดังสาทกในคำพีอัตถกะถาว่าพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกอารมณ์ของวิปัสนาที่ต่างกันเป็นอารมณ์6กอย่างพร้อมทั้งกองวิญญาณหกเป็นสี่ส่วนมีการเห็นเป็นต้นเพราะท่านพาหิยะเป็นผู้ชอบความสังเขปแล้วทรงแสดงยาตะปริญญา คือการยังเห็นด้วยการกำหนดและตีระนปริญญาการยังเห็นด้วยการพิจารณาในเรื่องนั้นแก่เขาพระพุทธองค์ตรัสการเจริญวิปัสนาโดยสังเขป พ, พร้อมด้วยวิสุทธิขั้นต่ำอันหนึ่งในมาลุกกะยะปุตสูตรนั้นพระดำรัสว่าดูกะระมาลุกะยะบุตร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 เธอจักไม่พัวพันในสภาวะธรรมเหล่านั้นในการนั้นเป็นส่วนที่แสดงการบรรลุผลพระดํารัสว่าดุกะละมาลุกะยาบุตรเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในโลกทั้งสองนี่แลเป็นสุดแห่งทุกขเป็นส่วนที่แสดงการบรรลุพระนิพพาน หมายความว่าพระอารหาันต์ผู้บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นผู้ประสจากความพัวพันในรูปนามทั้งหมดจึงชื่อว่าไม่ดำรงอยู่ในโลกนี้และเมื่อนิพพานแล้วก็จะไม่มีรูปนามใหม่เกิดขึ้นท่านจึงไม่ดำรงอยู่ในโลกหน้าการไม่เกิดรูปนามใหม่ในโลกทั้งสองลักษณะอย่างนี้เป็นความดับทุกข์ และทุกข์ในวัฏสงสารที่เรียกว่าอนุปาทิเศษนิพานคือการดับโดยไม่มีขันเหลืออยู่เมื่อพระมาลุกยบุตรได้สดับพระธรรมเทศนานี้แล้วได้กราบทูลความเข้าใจของตนแก่พระบรมศาสดาว่าเมื่อบุคคลเห็นรูปแล้วใส่ใจถึงรูปนิมิตที่น่ารักสติหลงไปแล้ว เขามีจิตกำหนัดรักเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นอยู่เวทนาอันเกิดจากรูปความละโมบและความประทุษร้ายย่อมทวีขึ้นเป็นอันมากจิตของเขาย่อมถูกรบกวนให้เร้าร้อนเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณดิตกล่าวว่าอยู่ห่างไกลนิพพานคาว่ารูปังทิสวาสติ มุตถาปิยังนิมิตตังมนาสิกะโรโตเมื่อบุคคลเห็นรูปแล้วใส่ใจถึงรูปนิมิตที่น่ารักสติหลงไปแล้วหมายความว่าเขาขาดสติไม่ได้เจริญวิปัสสนาที่รับรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่ไปรับรู้รูปร่างสันฐานซึ่งไม่รับรู้สภาวะเห็นหรือสักแต่รูปที่เห็น และไม่รู้ชัดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนคําว่าสารัตะจิตโตเวเทติเขามีจิตกำหนัดรักเสวยอารมณ์นั้นหมายความว่าเขาพอใจสิ่งที่ได้เห็นด้วยความโลภไม่พอใจด้วยความโกรธหรือวางเฉยด้วยความหลงท่านพระมาลุกยาบุตรกล่าวถึงความโลภอย่างเดียวด้วย นิทัศะนะนายคือสำนวนที่กล่าวพอเป็นตัวอย่างแต่มุ่งให้หมายถึงความโกรธและความหลงอีกด้วยคำว่าเอวังอาจินโตทุกขังอารานิพานะวุจติเมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานหมายความว่าเมื่อเขามิได้รับรู้สภาวะเห็นในขณะเห็น ย่อมเกิดกิเลส ท, ที่รู้สึกโลภโกรธหลงเวทนาอันเนื่องด้วยสิ่งที่เห็นความละโมบและความปทุสร้ายซึ่งห่างไกลนิพพานบุคคล น, นั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่พอใจในรูปทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ ทุกย่อมสิ้นไปไม่สังสมทุกขอีกฉันใดเขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สังสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานต่อจากนั้นท่านพระมาลุกกะยบุตรได้กราบทูลถึงการอยู่ใกล้และไกลนิพพานในขณะฟังเสียงเป็นต้นอีกด้วยเมื่อท่านกราบทูลดังนี้แล้ว พระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาสาธุการแล้วตรัสว่าการเจริญวิปัสนาโดยสังเขปที่ตถาคตแนะ น, นํานี้เธอได้อธิบายไว้ดีแล้วจงทรงจำไว้อย่างนี้ต่อมาพระมาลุกยาบุตรได้ปฏิบัติตามวิปัสนาในที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหัน ร, รูปหนึ่งในพระศาสนา เรื่องนี้ปรากฏในมาลุกยบุตสูตรผู้ที่เริ่มเจริญวิปัสนาภาวนาเมื่อวิปัสสนาญาณมีกําลังอ่อนอาจเกิดกิเลสเมื่อกาหนดว่าเห็นหนอได้บ้างจงอย่าท้อถอยควรกาหนดกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นว่าชอบหนอชอบหนอหรือโกรธหนอโกรธหนอตามสภาวะนั้ น, น, น แล้วละความชอบหรือความโกรธ ด, ด้วยการตามรู้สภาวะธรรมในปัจจุบันขณะการเจริญวิปัสนาแต่ละกิเลสนี้ต้องค่อยๆสะสมทีละน้อยเหมือนการสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ หรือเหมือนการซักผ้าที่ต้องขยี้หลายหนจึงสะอาดไม่ใช่ขยี้เพียงครั้งเดียวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันในการซักผ้าอาจรู้ได้ว่าผ้าสะอาดขึ้นมากเพียงใดด้วยการซักทีละครั้งแต่การละกิเลส ด, ด้วยวิปัสสนาไม่อาจรู้ว่าตนละกิเลสได้มากน้อยเพียงใด ต่อเมื่อบรรุมรคผลแล้วจึงจะทราบว่าตนละกิเลสได้มากน้อยเท่าใดพระบรมศ า, ศาสดาตรัสอุปมารเรื่องนี้ไว้ในยุสังตนิกายขันธวักว่าเหมือนมีดของช่างแกะสลักกล่าวคือช่างแกะสลักใช้มีดแกะสลักงานศิลปกรรมต่างๆเป็นประจำทุกวันเขาไม่รู้ว่าด้ามมีดสึกล้อไปมากน้อยเพียงใด ต่อเมื่อผ่านไปนานนับเดือนนับปีจนกระทั่งปรากฏรอยมือบนด้ามมีดเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามีดสึกลอนักปฏิบัติก็เปรียบเหมือนช่างแกะสลักฉะนั้นเช่นกันอันหนึ่งแม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลในบางขณะที่วิปัสสนาแก่กล้ามีกำลังมากในวิถีจิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีกุศลชวนะจิตเป็นส่วนใหญ่ อกุศลชวนะจิตแทบไม่เกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดขึ้นในบางกลาวนักปฏิบัติอาจจะตามรู้ได้ทันทีในขณะนั้นกิเลสย่อมสงบไปไม่รบกวนจิตเป็นเวลานานดังข้อความในอัตถกถาของสังยุตตานิายว่าพระดำรัตเป็นต้นว่าดูก ร, รักพิสุทั้งหลายการเกิดสติช้ามีความหมายว่า การเกิดขึ้นแห่งสติเป็นสภาพช้าแต่เมื่อสติเกิดขึ้นแล้วกิเลสบางอย่างย่อมถูกข่มได้โดยแท้ไม่อาจตั้งอยู่ได้เ่าคือเมื่อราคะเป็นต้นเกิดทางจักขุทวาแล้วเมื่อบุคคลรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแก่เราในชวนาวาระที่สอง ชวนาวาระอันสำรวมย่อมเล่นไปในชวนะวาระที่สามอันหนึ่งการที่ผู้เจริญวิปัสนาพึงข่มกิเลสในชวนะวาระที่สามหรื อ, อยังกุศลชวนะให้เกิดขึ้นโดยห้ามอากุศลชวนะวาระที่เกิดต่อจากวดทัพพนะจิต เมื่ออาวัชนะจิตเป็นต้นเกิดขึ้นตัดกระแสพวังในขณะอิทฐารมมาปรากฏทางจักขุทวานนั้นไม่น่าอัศจรรย์โดยแท้จริงแล้วข้อนี้เป็นอนิสงค์ของการดำรงอยู่ในสภาวะที่ปรุงแต่งจิตของท่านผู้ปราลรบิปัสสนาทั้งหลายจะเห็นได้ว่าผู้ที่เกิดวิปัสสนาญาณอย่างปานกลางตั้งแต่ญาณสี ถึงอุทธภัยายานเป็นต้นไปสามารถห้ามอกุศลชวนาที่เกิดทางจักขุทวานเป็นต้นแล้วก่อให้เกิดกุศลชวนาจิตในวิถีจิตที่สามเป็นต้นไปและเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติอาจจะยังให้เกิดกุศลชวนาจิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอกุศลชวนาจิตเกิดขั้น ในบางขณะอาจเกิดโวททัพนจิตเท่านั้นในขณะรับรู้สภาวะเห็นเป็นต้นดังข้อความว่ากล่าวโดยพิสดารแม้เมื่ออารมณ์ปรากฏทางจักขุทวานเป็นต้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าคือผู้บรรลุญาณห้าเป็นต้นไปอวัชนะจิตย่อมเกิดขึ้นโดยไม่เหมาะสม จิตถึงความเป็นโวดทั พ, พณะแล้วได้รับการเสพคุ้หนึ่งหรือสองครั้งแล้วยังลงสู่พวังย่อมไม่เกิดกิเลสด้วยอำนาจของราคะเป็นต้นบุคคลนี้เป็นผู้เจริญวิปัสสนาอย่างแก่กล้าถึงที่สุดแต่บุคคลอื่นจากนี้ผู้เจริญวิปัสสนาระดับปานกลางชวนา จ, จิตย่อมแล่นไป หนึ่งครั้งด้วยอำนาจราคาเป็นต้นแต่ในที่สุดของชวนาจิตเมื่อใกล้กรวนว่าชาวนจิตของเราแล่นไปแล้วอย่างนี้ด้วยอำนาจราคาเป็นต้นย่อมเป็นอันกำหนดรู้อารมณ์โดยแท้ชวนะย่อมไม่แล่นไปอย่างนั้นอีกในวาระต่อมาและในบุคคลอื่นผู้เจริญวิปัสสนาระดับตำ เมื่อใคร่ครวนอย่างนี้ครั้งหนึ่งชาวนาย่อมแล่นไปด้วยอำนาจราคะเป็นต้นในครั้งที่สองอีกแต่ในที่สุดของครั้งที่สองเมื่อใคร่ครวนว่าชวนาของเราแล่นไปแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นอันกำหนดรู้อารมณ์ได้ทีเดียวชาวนาย่อมไม่แล่นไปอย่างนั้นอีกในวาระที่สามบุคคลเมื่อกล่าวถึงนี้มีสามจำพวกคือ บุคคลผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาระดับปานกลางบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาระดับต่ำอีกนายหนึ่งบุคคลประเภทแรกเป็นผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าขั้นสูงบุคคลประเภทที่สองเป็นผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าขั้นกลาง บุคคลประเภทที่3เป็นผู้เจริญวิปัสนาแก่กร้าขั้นต่ำบุคคลประเภทที่สแม้จะ ก, กำหนดกิเลสที่เกิดทางจากักรุทวานเป็นต้นหนึ่งครั้งก็ยังเกิดกิเลสในชาวนะจิตอีกต่อมาเมื่อกำหนดรู้อีกหนึ่งครั้งจะสามารถสละกิเลสได้ทำให้เกิดกุศลชวนาหรือวิปัสนาชวนาในวิถีจิตนั้น บุคคลประเภทที่สองได้กล่าวไว้แล้วส่วนบุคคลประเภทแรกเมื่อพบกับอารมณ์ที่ชวนให้รักหรือชังก็เกิดอวัชนะจิตที่ประกอบด้วยอายนิโสมนัสิกานแต่อวัชนะจิตนั้นมีกําลังน้อยด้วยอณิภาพของวิปัสนาที่เจริญมาในวิถีจิตก่อนๆดังนั้นปัญจวิญญาณจิต สามปฏิจจ์ชนะจิตและสันติรณะจิตจึงรับเอาอารมณ์นั้นได้ไม่ชัดเจนต่อมาโวทัพพณะจิตจึงเกิดขึ้นสองหรือสามครั้งด้วยการพิจารณาโดยไม่ตัดสินว่าเป็นอารมณ์ที่น่ารักหรือชังพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในคำพีอัตถกถาข้างต้นว่าได้รับการเสพคุณ โดยหมายถึงลำดับจิตที่เกิดขึ้นในภายหลังอย่างนี้มีได้หมายถึงความเป็นอาเสวณปัจจัยและอาเสวณะปัจจยุปบันถัดจากนั้นะวังคจิตย่อมเกิดขึ้นโดยไม่เกิดชวณะจิตเพราะไม่มีสภาพตัดสินอารมณ์ว่าน่ารักหรือน่าชางังแม้ในมนโนทวานวิถีก็เกิดโวทับพระณจิต ประเภทนี้ด้วยอันหนึง่งในขณะเกิดวิถีจิตดังกล่าวนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าอารมณ์ที่รับรู้ไม่ปรากฏชัดเพียงปรากฏว่าสักแต่เห็นได้ยินหรือนึกคิดเท่านั้นจัดว่าเป็นมโนทาวานวิปัสนาที่กำหนดรู้สภาวะเห็นเป็นต้นโดยไม่ประจักษ์ทั้งกุศลชวนะและอกุศลชวนะ ก็ไม่เกิดขึ้นทางปัญจทวารมีเพียงวิปัสนาชวนะเกิดทางมโนทวารการไม่เกิดชวนะจิตในวิถีแรกเพราะมีอารมณ์ไม่ชัดเจนการเกิดวิปัสนาชวนะที่ประกอบด้วยตัดรมัดชัดตาซึ่งยังอินทรีย์ให้สมดุลกันในมโนทวารวิถีที่สองนี้มักปรากฏในขณะ ที่วิปัสสนาญาณที่11คือสังขารุปเปกขาญาณแก่กล้าแก่นักปฏิบัติผู้ที่บรรลุถึงญาณระดับนี้มักมีประสบการณ์อย่างนี้ในขณะนั้นแม้เป็นเพียงปุตุชนก็เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยฉลังคุเปกขาคืออุปเบกขามีองค์หกดังข้อความในอังคุตรนิกายว่า ภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งปฏิกูลูและสิ่งไม่ปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ในบางคราวการอยู่อย่างนี้เป็นการดีชลังคูเปกขาคืออุเบกขามีองค์หกหมายความว่าความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมหกที่มาปรากฏทางทวารทั้งหกองธรรมได้แก่ ตัตระมัดชัตตาเจตสิกคมพีอัตกถาของอังคุตรนิกายอธิบายว่าวาระที่ห้าตรัสไว้โดยความเป็นฉลังคุเปกขาอันหนึ่งฉลังคู่เ ป, ก ข, เปกขานี้คล้ายกับอุเบกขาของพระขีนาศบแต่มิใช่อุเบกขาของพระขีนาศบ พ, พระบรมศาสดาตรัสวิปัสนาในฐานะทั้งห้าไว้ ในพระสูตรนี้โดยแท้ผู้ที่ปรารบวิปัสนาตั้งแต่ยานสี่เป็นต้นไปย่อมเจริญวิปัสนานั้นได้คําว่าอรัต t ะวิปัสสกะคือผู้ที่ปรารบวิปัสนาซึ่งใช้ในอัตถกถาและดีกาหมายถึงผู้ที่บรรลุวิปัสนาญาณขั้นที่สี่เป็นต้นไปดังสาธกในอัตถกถาและดีกาว่า พระโยคาวจรย่อมอยังรู้ตั้งแต่เริ่มปรลบิปัสนาจึงชื่อว่าสัมโพธิพระโยคาวจรชื่อว่าดำรงอยู่ในปฏิปทาอย่างรู้ตั้งแต่การอุบัติแห่งปัญญาที่รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าพระโยคาวจรย่อมอยังรู้ตั้งแต่เริ่ม ปรารควิปัสนาจึงชื่อว่าสัมโพธิแม่อธกคถาของมัชฌิมานิกายก็อธิบายไว้ว่าอุเบกขาในพระดำรัสนี้ว่าอุเบกขากุศลานิสิตาสันฐานิอุเบกขาอันอาศัยกุศลย่อมตั้งอยู่หมายถึงฉลังคู่เบกขาอันหนึ่ง อุเบกขานั้นแม้เกิดขึ้นแก่พระขีนาศบโดยปราศจากความยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาแต่ภิกษุนี้ย่อมตั้งวิปัสนาของตนไว้ในฐานะฉลังคู่เปกขาของพระขีนาศบเพราะภาวนาสำเร็จแล้วด้วยกำลังแห่งวิริยะดังนั้นวิปัสนาจึงได้ชื่อว่าฉลังคู่เปกขา